ธรรมาชาดกแผ่นที่เก้าลำดับที่25โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่18มิถุนายน2554มีชื่อเรื่องว่าจั ก, กรพัฒตกสวรรค์วันนี้เป็นวันที่18มิถุนา พุทธศักราช 2,554 มันใ้ตรงกับวันเสาร์วันนี้เป็นวันเกิดของหลวงพ่อสดองทีจะมีการสวดมนต์เย็นที่วัดป่าบานเพิ่มหลวงพ่อสดวัดป่าบัานเพิ่มเป็นวันเกิดของเพลินเหมือนบางที่หลวงพ่ออาจจะไป ย่ำมะแลงนะย่ำมือนเสายังคิดจิวคือกันนะั่นแะอาจจะไปย่ำเหมือนแลงพอพูะไปย่ามมะแลงในงานเพิินมิถุไปย่ามือนเสาไปฉันเลยแต่ข้าวเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวจะไปย่ามมะแล้งมึงบอกรันเกิดหกสิบกว่าปีเลยเนหลวงพอ่อสดปัดปลาบันเพิ่มนี่แหละาลาของเห่านี่ปี 2500, สองพันารอยสาสิบนี่สางซาลาหลังนี้เสร็จ หลวงพ่อม่อยู่วัดปนานนะคำหน่อยปีสองห้าแล้วก็ปีสองเจ็สองปสองปดเน่ 27, 28, 28, เริ่มสางกำแพงสองปดเริ่มสางสลาสองปเริ่มสองเก้านะปีที่ ก, กว่าประมาณปีครึ่งสางสลาหลังนะทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยพอเสร็จเดือนพฤษภาเนะวันที่สามสิบ หลวงพ่อก็เลยไปจำมันสาบันเพิ่มปีสามศูนยหลวงพ่อเดียไปว่างปฐมมะเลิกสั่งวัดปลาบันเพิ่มเป็นผู้ไปจับจองเป็นผู้ไปดูแลบันเพิ่มแต่ที่แหลกเลยเพราะญาติโยมเขาอยากจะได้วัดปลาหลวงพ่อก็เลยเข้าไปดูไปแล่ไปรับจากเขาถวายจากนั้นก็สื่อเพิ่มเติม สื่อปาเพิ่มเติมเล้วก็เป็นวัดปั่นเพิ่มมากกระาท่าคู่มือนี่แหละเลิ่อมมาตั้งแต่ปีส1มสิเ็ดหลวงพ่อสดไปจำมันสาปีสามสิบเอ็ดจนถึงมาปันน่นเนี่หลายปีเติมไปได้ปั่นเพิ่มกันนี่ะวัดว่ดาศาสนาขืนมาใได้มันก็ติงต้องเิลกอขืนมากหน่อยๆสักคนบ่แมนจะปุ๊บปั๊บขืนมากกทีสาง หลู้ยละโออาเลยมันก็บบได้ไอ้นี็คือค่อยๆสั่งค่อยทํำขึ้นมาแต่ทั้งข้าวหนึง่ทงทั้งมหาเถรทั้งกรมการาศาสนาเขาบอกว่าอยากจะให้วัดเนี่ยไปอยู่เป็นกระจุ ก, กเป็นกระจุกเพื่อบริหารจัดการง่ายการค่อยสั่งก่ะยจะสั่งแบบให้มัน นั้นไปเลยพอร่วมไปใช้ชนวัดต่างๆร่วมขามา่หาหมองเดียวกันสางมันใหญ่นี่คือฉลุเป็นคือเน้นทั้งด่านวัตถุบอลในเน้นทางทังด่านขน้นตามไม่จริงลวงพอข้าน่ะลุงพอก็เลยเบาครับพวกควายพระเหมือนกันลุงพอโอ้จะไปคิดจังสันมันคิดแต่ยุแต่เหตุนี่ยมันคิดเหดีนด้พอเหตุใดพอว่า พี่น้องประชาชนของเข้านี่อยากจนอยู่บ้านนอกกว่าสิยางมาทําบุญวัดใหญ่สมมเอาอำเภอนายุ่งนี่วัดนึง่งอำเภอนํำสมวัดหนึ่งนี่แหละอย่างม่าหน้าคำนยของเขานี่วัดหนึ่งนี่สร่วมกันอยู่นี่แหะบานี้อำเภอนายุ่งมันกว้างประชากรเท่าไหโซสียางมาหอดโซสิกี่จักรยานมาหอดโซสีเดินมาหอด มันโมเมนธรรมาดาผลที่ชุดทํำให้ลูกหลานผี่น่องไปใช้ชอนอยู่ในหมู่บ้านต่างๆขาดการศึกษาเรื่องศิลธรรมผลที่ชุดก็เป็นคนไม่ได้รับการศึกษาเรื่องพุทธศาสนามันจะเป็นอย่างไางถ้าหว่าวัดเล็กวัดน้อยไปสางอยู่ในหมู่บ้านของเขาถึงจะบ่เป็นวัดใหญ่ แต่คอยเขาก็ยังเป็นเครื่องยึดเหนียวทั้งด้านจิตใจแต่ละหมู่บ้านเขาจะมาไหว้พระมากราบพระมาไหวพ้พระพระก็จะได้สอนไหว้พระจังไหนวันแต่ละวันพระเขาก็จะต้องได้วัดได้กราบได้ไหว้อรหังสวากาโตสุปติปโนนาโมรับศีลรับศีลรับพรนจากนั้นเขา ทำวัดเศร้าทำวัดเย็นเขาก็จะหูเรื่องพอเห็นได้พบพร ะ, พะไปสอนถึงหมู่บ้านของเขามีประโยชน์นะครูบาอาจารย์นะอันนี้หลวงพอ่อเคยได้ไดเบาแต่นั้นเป็นความคิดชั่วบุบจะวิวลงไปเพื่อจะตะล่อมให้พระสงฆ์เขามาเป็นกลุ่มเพื่อการบริหารจัดการง่ายแต่ว่าส่วนที่เสียมันก็มีขึ้นกันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอย่างท่วานะ มีทั้งเสียมีทั้งได้แต่เขาก็ต้องมาบวกลบคูณหารเบอง์ว่าอันไหนเกิดประโยชน์มากอันไหนเกิดประโยชน์น้อยในการดูแลในการบริหารจัดการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเ พ, พ, พ, พราะพพุทธศาสนาบ่เป็นของผู้หนึ่งผู้ใดเด้บ่เมนของผู้เดียวของหลายๆคนแต่ก็พร้อม ก, กันก็ซอยการคิดขึ้กันเพื่อรักษา โมเมนเพื่อทำไร่ทำไรยทำไร่อีกแนวหนึ่งเลยทำไร่ทำไร่ไผ่กูหูแต่รักษาเนี่ยคืออย่างก็คือได้ศึกษาพระธรรมคัมสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแล้วก็นั่มากันกองไตรตองประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคัมสอนของเพลิลนพระพุทธเจ้าสอนจงังไรให้ละซัวให้ประพฤติตดเป็นคนดีเนี่ยขอใจใจควา宽 ให้ละความซัวสิ่งไหนที่มันซัวอย่าไปเหตุอย่าไปคิดอย่าไปพูดอย่าไปทำสิ่งที่มันซัวให้ทำแต่สิ่งที่มันดีมีคุณภาพมีคุณธรรมอยู่ใส่ลมเย็นเป็นสุขดีกับซัวนะฮู้จักบอคันเข้าใดลึกศึกษาเข้าก็จะกหูจักพอดีก็มีหลายอย่างซัวก็มีหลายอย่างมีหลายระดับคือนกัน ขันระดับพื้นบ้านขึ้นมากพื้นบ้านขึ้นมากเขา็อยูตามเรื่องของมูบ้านที่เกิดมาแล้วขาซัดชีวิตกินธรรมดาอันนั้นเข บ, บพิดกฎหมายบานเมืองก็เป็นคนดีในระดับหนึ่งแต่ว่าขั้นดีขึ้นมากกว่านั้ น, นถึงจะเป็นซัดเล็บซักหน่อยก็บวกวั้นจะขาเพราะเหตุใดเพราะมันชีวิตของเขาชีวิตของเา้า กันมากถึงกว่านั้นอีกเป็นพระสองฆ์องค์เจ้าอ่าก็เป็นคุณงามความดีระดับไกลขึ้นมาเรื่อยๆเพราะนั่นเรื่องคุณงามความดีอย่างทิวาเนี่ยมันมีหลายระดับขึ้นกันระดับพ้นละเมืองบบพิษกฎหมายอยู่เดียกันให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันออันนั้นก็คื อ, คอเป็นคุณงามความดีระดับนึ่ง ถ้าระดับสูงขึ้นมาอีกให้เคารพเห็นใจซึ่งกันและกันในการดูนนการนึกคิดอันนั้นกน็มันมีอีกระดับหนึ่งขึ้นมาอีกอย่างไฟพระสงฆ์สินสองรอยี่สบเจ็ดขอ้อและสินอภิสมาจจารมีหมากไหมถ้าเฮาศึกษาแล้วลวดแล้วจะเป็นเครื่องสำร่วมกายว่าจาของเฮา ว่าให้มีโทษทั้งหมดหการพูดพูดจังไรจึงจะถูกต้องการพูดแบบไรที่มันเป็นวาจาที่ว่ถูกต้องเป็นการกระทบกระแทกเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเป็นการกระแนะกะแนะผู้อื่นเป็นการดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นวาจาเนี่ครับมากมากม้มหาศาลขึ้นันในการที่จะพูดออกไป พูดจงไงเป็นสัมมาว่าจาจรจึงจะถูกต้องอันนี้ก็คือว่าจาส่วนกายก็คือ ก, การกระทำจึงใดจึงจะถูกต้องบอ่ขาซัต์บ่ขโมยทรัพย์บ่ปกพืชพิษลูกเมียผู้อื่นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันบ่ขี่ตัวบ่กินเหล่าบ่เสพยาเสพติด ของมืดเมาทั้งหลายทั้งปวงแต่ว่าเฮาเจ็บติดเข้าไปแล้วนั่นแหละก็ทําให้เสียหายทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นกันครอบขั้วปนปีไปหมดถามว่าพอได้ติดยาเสพติดจนติดยาบ้าอย่ลูกเมียเขาบ่านาวไว้ใจอันเมียติดงสี่ผัวเขาบ่านาวไว้ใจขึ้นกันอันตรายอันนี้คื อ, คอการ กายสับโรบกายส่วนใจแต่นีแนวความคิดอีกนะนีน่แนวความคิดเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากในเรั่องของพระพุทธศาสนาควรจะได้การได้รับการศึกษาเท่าที่ได้รับการศึกษ า, า, าบกาุกหัวใจและเรื่องวิธีทางเดินของใจมอรู้จากวิธีทางเดินของจิตจิตใจเดินไปจงไังใดคิดจงังไดแต่ละวีแต่ละวันแต่ละเวลามันปุ๋งฟุ่งไปจังใด ไปทางกิเลสรากขาบหรือกิเลสโทษสะลึกหรือกิเลสความโลภโลภโกรดหลงจังใดคานาวาบมีถ้ำในใจขั้นพอดได้รับการศึกษาจากถ้ำคัมศรัทธาของพระพุทธเจ้าแล้วนี่จะมองบาเหตุในจุดนี่เพราะนั้นตรงได้รับการศึกษาศึกษาจากถ้ำคัมศรัทธาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า เปิ่นไปศึกษาตํำรับตําราเนี่ยขึ้นมาได้เลยเพิ่นเขียนเป็นตําราขึ้นมาได้เลยเพิ่นไปศึกษาถึงหกปีอยู่ในปา่าหลงพงไพ่นี่แหละเพื่อศึกษาเรื่องของใจความนึกคิดน่ยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากสําหรับมนุษย์ชาติคนจะดีคนจะซัวมันออกมาจากใจทั้งหมดคันมาคิดไปในทั้งที่ซัวปล่อยออกมาทังว่าจากับเบาซัวดา ขั้นว่าออกมาทางกายกับมีตั้งแต่มัดแต่มุย้ยเพราะว่าใจมันใจไม่ได้รับการอบรมใจไม่ได้รับการฝึกฝนแต่ว่าขัน้นจิตใจได้รับการฝึกฝนที่แล้วก่อนสิพูดก่อนที่ทำยังออกไปก็พ่อประมาณไจเขาว่าเอาสิห้ายข้นเลยเอาสีห้ายเรื่องไหนเอาสิดาข้นเอาสิดาเพอลยังคล้ายๆไปไคิดเลยแล้ว อมันบอได้ออกมาจากติดจิตไตสํานึกคานว่าเฮ้าบอได้รับการอบรมมันจิตต้องมาจักไตสํานึกดาค้นอย่างเอีะแต่าตามไม่จริงคานว่าจิตดูแต่ฝึกตีแล้วนะเฮาจะต้องคิดอืขั้นบอดาบอได้เลยมันบอได้รับมันบอดสำนึกขั้นบอบอกเก่าเลยมันบอบหูเหลืองว่าดีวันซัวเฮาตรงไหนเฮาตรงไหนบอกได้บอกะตรงตั้งเออ ให้ค่าว่าพร้อมซะก่อนยังคอยบอกคอยกล่าวถึงจะท่ำอาล่มโมโหสูนเชียวบลึงตึงนั่งก็ตามเป็นเป็นอาการที่จะต้องบอกว่าขาเป็นพ่อใจนะแต่ในใจของเฮ้าแล้วเฮ้าหูว่าเป็นอย่างถ้าว่าท่ำไรจังสั่นนั่นลหละเพิ่นว่าผูมีท่ำได้ฝึกจิตใจไว้ดีแล้วแต่โดยมากมันจะล่าออกไป โดยที่มันหลังบโมยูน่ะโดยมากก <c ười> ันกิเลสความโกรธจงิงๆมันโดดไปกัดคนทีดึงหางเหมืนกัยังหางขาดดึงขาขาขาดมลยแง่โดดไปกัดข้นตะพทุทธะเพื่อยกโส่จึงหูจับได้พ่อแหงมันนองไปเออบางที่ของมวล่ า, างคางแตกมันะนองไปแง่จังสันก็ะมีโดยมากพวกเข้าที่เป็นหนึ่งบทได้รับการอ บ, บรมรับการ ฝึกฝนไว้เนี่ยโดยมากเป็นสัน้นถ้าเพื่นเด็ฝึกฝนเป็นพระโสดาสัาคขาฆ่าอนาค่าอารหันเนะี่ยเพื่อนจะหงุดหงวิ ธ, ธีการพูดการปล่อยมัดออกไปแล้ว่าการดุดาว่าก้าวก็ะพ่นเป็นจังไดอันนี้ก็คือใจใจเป็นไงใจเป็นหวนันวหน้าเนีคณาวกใจออกจากร่างกายใช่ไก็คือ ก, กันกระพนตายมัดสับเปล่าเนีถึงจะเป็น เป็นผูมไมีบุญนักซักไงขนาดใดก็ตามแต่ใจออกจากล่างแนละ้วมดัดมดสะากแปเว่าะคนตายแล้วนี่แหละคนมาใจเนี่เป็นไงใจเป็นหัวหนา้าสําเร็จเราด้วยใจเพราะนั้นรักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนอสอนใจเรื่องของใจเป็นเรื่องไงเนะ่ควรจะได้รับการศึกษาควรจะได้รับการเรียนรู้ควรจะจงได้รับการฝึกฝน เออคณะว่าเข้าโบเหียนเจ้ ก, ก่อนเข้าโบหูเจ้ ก, ก่อนเข้าจีฝึกฝนได้จังใดเข้าจงได้รับแนวทางจากพระพุทธเจ้าะ ก, ก่อนพระพุทธเจ้าเป็นสอนจังใดในเมื่อเป็นสอนเข้าเขาได้ศึกษาแล้วก็นําทําข้าสอนของพระพุทธเจ้ามาฝึกฝนตัวเองเมื่อฝึกฝึกฝนตัวเองเข้าก็จะได้รับความรมเย็นเป็นสุขทั้งด้านจิตใจเป็นลำรับลํารับไปนี่แหละลักของพระพุทธศาสนา เป็นขันเป็นตอนเป็นมาตั้งแต่เรื่องการเป็นยูด้วยการศิล ส, สมาธิปัญญาจนถึงนี่แหละสมาธินี่แหละสำคัญในหลักของพุทธศาสนาแต่ว่าสมาธิสําคัญแต่แฉกบอมแมนขึ้นกันมันสําคัญนํากันทั้งหมดมันสําคัญมาตั้งแต่ท่านศิลข้อนบมมีท่านคนบมมีการเสียสาระจะยูน้ากัน ม่ที่อยู่ใดจังใดเผ่าเกิดมาพอแม่บวชให้ท่านบวให้ความอบอุ่นเล่ากุยอยู่บ่ใดเท่กันตายตั้งแต่ในหน่อยเพราะนั่นเรื่องท่านเป็นเรื่องที่เครื่องยึดเหนี่ยวของโลกให้อยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นทุขต้องมีน้ำใจสรุปแล้วให้มีน้ำใจต่อกันพ่อระดับนึงขึ้นมาเลยมีน้ำใจต่อกัน พ่อเป็นผูยย้ใหญ่ขึ้นมากกระดับเมื่อพ่อแม่แกเถ่าชะลาพวกลูกทั้งหลายกับ น, น้องมีน้ำใจในทดแทนพอคุณของพ่อของแม่ที่เพลนเลี้ยงดูเฮามาอีกสรุปแล้วก็คืออโลกใบนี้หรือว่าโลกมนุษย์โลกของเฮ่าจะร่มเย็นเป็นสุขหนึ่งเป็นยู ด, ด้วยน้ำใจเป็นยู ด, ด้วยเมตตาเป็นยู ด, ด้วยความเอื้อเฟื้อเอื้ออารี่กัน สรุปเลคือให้ใช่ปัญญาขึ้นกันอันใดพิดอันใดถูกอันใดข่วนบวกลวนจังใดอันใดเหมาะสมบวกะสมจังใดต้องคิดให้รอบขอบถ้าคิดตามลําพังบางทีก็ชุดตรงความคิดของเจ้าของว่าคิดแมน่นแต่ว่ามืเปรียบเทียบกับหลักธรรมคัมสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าพูดว่าจังใดเรื่องจังสี่ต้องเอาหลักธรรมคําสอนสออกมาเปรียบเทียบอีกที่หนึง่ง ถ้าเปรียบเทียบเอออันนี้คนโบราณเขาลึอลักถ้ำคําสอนของพนมาจังซี่ได้แต่เข้าไปแบบนี้อา่าเขาก็ต้องเอียนเอ็นอม้มาทั่งถ้ำคําสอนของพระพุทธเจา้าเพราะถ้ำคําสอนของพ ร, ระพุทธเจา้าเป็นสวากาตธรรมตรัดไว้ชอบแล้วแล้วก็เป็นนิยานี้กร็รรมนําผู้ปฏิบัติให้มีความสุขความร่มเย็นเป็นสุขได้เพราะนั้น เฮาจะไปเอาแต่ความคิดของเจ้าของดันทุล้างไปว่ามันขาคิดถูกโดยที่บดได้ฟังเสียงผู้ใดบดไ ด, ไดเอารักถ้ำข้าสอนของพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบนี่ยบางบางครั้งมันก็สุดตรงไปคือกันเลยเห็นบางเรื่องบางเล่าเนี่ยุดตรงหัวส้นฝาวนั่นไปพย่อมฟังความไผ่อู้ถ้าเป็นพี่น้องของเฮาจังสันก็เบาน้าหยากคือกัน เพราะเหตุใดเพราะมาย่อมฟังเหตุฟังผลหมดไปว่าแต่เจ้าข อ, องถือย่างเดียวทำไมบ่บ่ฟังเงียบ่ฟังควาำไผเพรอะนั้นพวกเขานะอบางคนก็หัวอ่อนเกินไปเขาแนะนำอยังเอามดอันนั้นกระบอดีขึ้นกันอขั้นหัวแข็งเกินไปหัวส้นฟ้าจุดมย่อมฟังไผกระบอดีขึ้นกันพรอหนั้นให้พวกเข้าเป็นให้ฝึกฝึกตนให้เป็นผู้มีเหตุผลต้องฟังแล้วการกรองไตรตรอง อ่แล้วก็เอารับถําคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบนอกจากนั้นก็ไปฟังท่านภูรูอท่านภูรูที่พนน้นหาคําแนะนํามาเาข้าเขาจะต้องฟังเหตุฟังผลนะคนมีเหตุมีผลไปใส่ลมเย็นเป็นสุขปั้นคันว่าคนผมนมีเหตุผมมีผลดันทุลังเนี่ยข่าวไปว่อข่าไปว่องไหวงนั้นก็นแตกเนี่ยเพราะเหตุใดเพราะบุกคลดันทุลังเลย มีแต่อารมณ์เจ้าของว่าจะว่าเจ้าของถูกนะไปใส่ขวางหมูมัดเนี่ยเพราะนั้นพวกเขายายเป็นเป็นหนึ่งสันนะยายมันขวางต้องมีเหตุต้องมีผลต้องมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในจิตในใจอยู่ใส่อยู่เย็นเป็นสุกมัดอยู่ในโลกมันหมถึงลอยปีดอกต่างคนกับต่างอไปของภัยของมันในคณะที่อยู่รํากันก็งัด คุณงามความดีออกมาใส้กันมาปฏิบัติต่อกันมาพูดกันมากระทํามาคิดในทางที่ถูกต้องในทางที่เป็นธรรมในคณะที่อยู่น้ำกันโลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุกมัดมีแต่งัดกิเลสออกมากัดกันโอ้ยุ่งเหยงวุญไหวผู้หนั่งคือกิเลสตัวหนึงผูนึ่งคืกิเลสตัวหนึ่ง ง, งัดมากัดกันแงเป็นคนละทิศคนละทางสรุปเลยคือผลประโยชน์ ผลประโยชน์พอลงร้อยกันถึงจะแบนแบนปันเฮก็ตามม่นออกไปขั้นผดประโยชน์พอลงกันเพจกันมาเนี่ยอันนั้นก็คือขี้เลิขี้เกศเกลิความโลภในรักของพุทธศาสนาอมีความโลภอยู่ในใจแบงจังไรมันก็บรรมันก็บรรลงร้อยกันเนีเขาแบงให้เคืองปันไอ้ก็จนจะเอาตาสังนัสสังมันเอาไป มันแค่ย่งอยู่ยังจยากโกบอยากได้ของเขาอยู่เนี่ยังพญามันธาตุตุลาธพญามันธาตตุลาธเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองพื้นปฐพีแผ่นดินแมนมัดเป็นของพญามัตพญามันธาตุตุลาธทั้งมัดไปพญอินก็เลยเห็นโอ้พญามันธาตุตุลาธเป็นผู่มิบุญนักสักใหญ่ปกครองในพื้นปฐพี่โดยถํา เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเข้าควนจะเอาขืนมาสู่สวรรค์สันดาววดึงนั่มมาเป็นมูเป็นผักเป็นผวกเป็นเซียวกันมันลงไเฮีพระอินทร์กระแสนใจใจเดียวลงออกพญามา่าตลาดขืนมาอยู่บนสวรรค์สันดาววดึงกระแลแบงแบงสันดาลวดึงให้อีกคนละเครื่องมันลงไปเฮียหายเซียวครื่งหนึ่งเจ้าของครื่งหนึ่ง ไอ้ยูเดียกันมีอยัางกับปรึกษาปาโรบกันแต่พญาอมาท่าทุกลาดเนีขี่โลบใช่ไหมผ่มานอ่คว่มขี่โลบนะเนีออในเมื่อมนุษย์ก็เอาเมดแล้วนะคือป้ายุสวรรค์เนะี่ยที่พระอินทร์แบงให้เครื่องนึงนะ่งประโยชน์ยนะังปัญหาแบงให้เครื่องเดียวข่าพระอินทร์ซะเอาดทั้งสันเนะี่ยป่ญหา ส, สันดาวดึงของพุนนะ่ะขี่โลบอย่างได้สันดาวดึงทั้งสันเนะ่ะ เออคือว่างขาพระอินเมื่อมนุษย์มันขากันได้เนีเออแต่เมืองสวรรค์มันขากันวะไรเนี่ยมันเป็นบุญเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลคนที่จะไปเกิดสันดาววดึงหนึ่งมันต้องบุญผ่าไปเกิดตัวเองเลยจะใช่ระบบมนุษย์อใส่ระบบเมื่อมนุษย์ไปจัดการกับสวรรค์สันดาววดึงพ่อคิดขาท่านัอน่ะจิตใจมันเสาหมองเลยคนที่คิดขานี่อารมณ์โทสะเนี่อ อารมณ์โทษซักเกิดูบในใจนนไปเพราะอารมณ์โกรธไปแอม่มันต้องไปอารมณ์โกรธด้วคนใจดีๆนะจะไปขาคนมันขาบวลงเล้อันี้มันต้องปุกอ่ะปุกอารมณ์เจ้าของจังหวนถึงจะเป็นเทวดาก็เถอะมันก็มีความโลภความโกรธความหลงขึ้นกันนะ้เออพผ่ญ า, า, ามันท่าทุรนกัปลุกความโกรธขึ้นเมาน้าลงไปเพื่อจะขาพระอินทร์ยึดสันดาวดึงนะ พ่อคิดเท่านั้นแล้วอารมณ์วูบขึ้นมากเป็นโทษ ะ, ะพ่อโทษะก็ตกไว้ลงมาจากสั้นดาวดึงเร็วหน่อยไปยตกสูงไปเนีพยพญามันท่าตราดพ่อตายแต่ไม่บุญค่ำระโย่น่อตกต่ำลงมาถูกสวนอุทยานอุทยานเา น, นี่ยนายอุทยานก็ไปเห็นคือจำเมื่อไรบ้านเนี่ย อจำบ่ได้เพราะว่าพญ า, ามันธาทุลาถึงขึ้นไปอยู่สวรรค์ดนเกินไปเหรอเอออันยื่นเนี่พายพญาพญามันธาตุลาบรรทัดตัลาเราจะถามว่าอุทยานเจ้าพี่นายอุทยานใช่ไหมครับเข้าเนี่ยคือพญ า, ามันธาทุลาเป็นยังไงพระองค์นี้เป็นสิ เ, เนี่ยเข้าตกลงมาจากสั้นสวรรค์ไปไปบอกให้ บริว้านเขามาอยู่ในเวียงว่างนายอุตยานกับแลนจันไปบอกพวกเซนาอมาดมากเขาก็จำได้พอจำได้ก็พยายามพันทาตุลาฟื้นหรือมากลเลยก็บอกเออนี่ก่อ น, นีนเฮาติตกมาจากสวรรค์นี่เพราะเฮาเกิดความโลภเกิดความโลภในเมืองมนุษย์เฮาก็คขอบคลองมัดเออ บ่มีประเทศใดอยู่ในเมื่อมนุษย์เท่าจะบอกอบขอบคล้องเขาขอบครองเมื่อบดจนพระอินทร์เอาขึ้นบูสูบนสวรรค์เพราะซึ่งสวรรค์ขึ้นมาเอี่ยฮะพระอินทร์แบงให้เข้าเคิงหนึ่งแบงดาบดึงห้เข้าเคิงหนึ่งเข้ายังโกรธอยากได้ทั้งหมดอีกอยากจะขาพระอินทร์เลยเพราะความคิดอยากจะขาพระอินทร์คำนี้แหละอารมณ์โกรธมันขึ้นมาในใจทําให้เล่าตกจากสันสวรรค์ลงมา นี่แหละมาตกยูเนี่เอ้าตั้งแต่นี่ต่อไปนะให้พวกท่านทั้งหลายตีประกาศกิเลสตีประกาศออกไปว่าพญามั่นท่าตุลาช่องแผ่นดินแล้วยังบ่อพ่อขึ้นพายุสวรรค์ยังคิดขาพระอินอีกไปตีประกาศไปทัวมุ่เมืองเลยนะประจานมาไปอย่างความโลภตัวเนี่ยเลยเป็นความโลภยังบวมมีที่สินชุดจึงสี่เ <c oughs> กายัง่งดีเนี่ยโปรภพอพญามันธาตุลาศยังคิดประจานเจ้าของของเราไปเอียกันเจ้าของคิดเจ้าของมันบ่แล้วประจานเมืองนะมันเป็นอย่างแต่ความโลภมันยังผมมีทินสุดเขาก็ประกาศยังว่าเน ะ, เพะยพอพปพญามันธาตุลาศให้ประกาศเนี่ยเขาก็ตีของตีของประกาศเราลงไปพญามันธาตุลาศเกิดความโลภผมมีทีนสินสุดเอีความโลภเอย นัตติตันหาสัมมาณฑีแม่ท่านแม่นามเสมอตันหาคือความโลภความโกรธมุมมิตรสินชุดมหาสมุทรยังมีขอบความโลภนะมุมมิตรีสินสุดม่นะมีแต่อยากอยากอยากอยากเยู่ตลอดนะขันหอบวยยับโปรยยั่งพอรยในชู้คนนี้แหละพอประกาศนั่นเองพญ า, ามันถุรัลดก็เลยสวรรค์นกขดก็เลยตายไปนี่แหละพระพุทธเจ้าคนว่าความโลภความเหนืนะ่น บ่มีทีสิ้นสุดเพอาะนั่นให้เบิงเบิงเจ้าของเนาะให้เบิงเจ้าของเออสิ่งไหนก็ตามให้พ่อเหมาะพ่อสมพ่อควัเนีครับมันถูกต้องยังอยเอาคำนวบมันจริงที่มันพูดตุท่งเอีอย่าไปโคดอย่าไปโกงอย่าไปป่นอย่าไปขี่อย่าไปหลกโมโหของเขามาเป็นของเจ้าของเออให้มีสินให้มีถ้ำทั้ง ทาว่าหาด้วยสติหาด้วยปัญญาของเฮาหาโดยความฉเฉลียวฉลาดของเฮาเอออันนั้นเป็นผู้มีปัญญาหาทรัพย์เนี่ยผู้หาทรัพย์ก็ต้องก็มีปัญญาแต่ว่าจะไปใส่ความหลบขดโกงเบียดบังของผู้อื่นเขานะเนี่ยกำมาเฮาสิขายของเฮาก็ต้องบอกราคาเท่าไหรเฮาก็ต้องคิดกคำไร่ไว้ถ้าเขาเป็นที่พ่อใจเขาตั้งเขาพ่อใจสื่อ มันก็บววากันเฮ้าสิขายแพ่งเลยบอกไปยังเพราะว่าเขาพ่อใจซื่อเลแต่ว่าไปคดไปโกงเขานะบา้าไรอันนี้ก็คือความกีโลกความโลบผมมีที่สิ้นสุดนะเพราะนั้นกิเลสในใจของมนุษย์ของเฮ้านยะที่พระพุทธเจ้าเป็นบอกไวนะ้เป็นกิเลส ท, ที่จะเห็นได้จังไดยนกะ็ต้องนั่งสมาธิ จิตใจสงบพ่วมสงบจึงจะหลุดได้กิเลสราคะโทษสะโมหะนี่เป็นจังไหรเป็นตัวจังไหร่ผู้แจ้งเห็นจริงจังไหร่ิีสกัดออกจากจิตใจใดจังไหรขั้น ส, ส ก, กัดกิเลสโลภโกรดหลงราคะโทษสะออกแล้วนะจิตใจบริสุทธิ์แล้วนั่นแหละเนี่ยเป็นพรลรหันยูใส่ลมเย็นเป็นสุขไปหมดเพราะจิตใจบ่มกิเลสพอทําให้ใจิตใจกระเพื่อมบูดไหว เทวทองกัทองร้อยเป่อเส้นบมเก่าสิบเก่าจุดเก่าอไรไปเป็นสเตนเลสกัสเตนเลสร้100อยเป่อเส้นบมมีสนิมแม่แต่นหน่อยเดียวอยู่ในสเตนเลสนั่นอันนี้จิตของใจของพระหรหันต์กัจังสันใจสิบริสุทธิ์ร้อยเป่อเส้นจิตใจที่บมมีกิเลสลากะโทษสามโมหะอยู่ในหันพราะนายพวกเขาน่ะพูดทั้งนี้ทั้ง ท่านท่านได้ฟังเพื่อการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการเป็นอยู่ในการคล้องฉีพของเขาให้มีศีลมีธรรมให้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมให้งัดหรือเอางัดขุดง่ามความดีออกมาใส่กันอย่าไปเอาสิ่งที่มันชั่วสาเสียหายออกมาใส่กันถ้าเอาความชั่วออกมาใส่กันม่นมีทีสิ้นสุด กัดกันนัวเนี่ยไปมัดนะอยังคู้มือเห็นบัประเทศชาติฝันเมืองช่วงหนึ่งช่วงหายเสียงผู้แท่นแจมแอนไพ่กัดไผ่ได้วันนีไปเผลอเผ อ, อข่ากันก็มีกัดกันมาเรื่องตึงนั่งก็มีเพราะเห็ุอะไรเพราะความโลภนั่นแหละเพราะความโลภของมนุษย์นะความโลภของคนนะเผลอเผล อ, อมันหายพขาพ ย, พยามมันท้าตัวลาดอีกต่างหากก่อนไป คำมันขานาดนั่นนะกกว่าอีกคนไปแต่นี่มันบ่กมีฤทธิ์ปนานันก็เลยจักตีเห็ุเช่นใดวันนึงไปมีแต่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อ, อยู่ในใจพ่อปนานันนะก <c oughs> ิเลสของมนุษย์มนันาเป็นยันนะอั <c oughs> ลับพ่อในแต่นี้นะหลพ่อบอกภาษาอีสานเหมือนนะน <c> อ <oughs> ลงพ่อได้ยินอยู่สีในคขรินเขาว่าภาษาต่างประเทศได้อภาษาเนี่ย <c oughs> อ๋อหลวงพ่อภาษายังภาษาต่างประเทศเอาภาษาเมืองเล่าแล้วะ เออแม่นอยูอ่ะรับพรนโมธนาให้พร